เธอได้เข้าทต้มนี้มาจากไหนอานนนครั้งนั้นท่านพระอานนนได้กราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตาหนิว่าอานนนการทำอย่างนี้ไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณนะ ใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลยฉะไหนเธอจึงขวนขวายเพื่อความมักมากเช่นนี้เล่าอาหารที่เก็บไว้ภายในที่หุงต้มภายในที่หุงต้มเองจัดเป็นอกกับปิยะการกระทำอย่างนี้มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสละ ทรงแสดงธรรมมีกถาแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันอาหารที่เก็บไว้ภายในที่หุงต้มภายในที่หุงต้มเองรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฏภิกษุทั้งหลายถ้าเก็บอาหารไว้ภายในหุงต้มภายใน ห Hill ุงต้มเองถ้าภิกษุฉันอาหารนั้นต้องอาบัตทุกกฏสามตัวภิกษุทั้งหลายถ้าเก็บอาหารไว้ภายในหุงต้มภายในคนอื่นหุงต้มให้ถ้าภิกษุฉันอาหารนั้นต้องอาบัตทุกกฏสองตัวภิกษุทั้งหลายถ้าเก็บอาหารไว้ภายใน แต่หุงต้มภายนอกหุงต้มเองถ้าภิกษุฉันอาหารนั้นต้องอาบัดทุกกฏสองตัวภิกษุทั้งหลายถ้าเก็บอาหารไว้ภายนอกแต่หุงต้มภายในหุงต้มเองถ้าภิกษุฉันอาหารนั้นต้องอาบัดทุกกฏสองตัวภิกษุทั้งหลาย ถ้าเก็บอาหารไว้ภายในแต่หุงต้มภายนอกคนอื่นหุงต้มให้ถ้าภิกษุฉันอาหารนั้นต้องอาบัตทุกกฎตัวเดียวภิกษุทั้งหลายถ้าเก็บอาหารไว้ภายนอกหุงต้มภายในคนอื่นหุงต้มให้ถ้าภิกษุฉันอาหารนั้นต้องอาบัตทุกกฎ ตัวเดียวภิกษุทั้งหลายถ้าเก็บอาหารไว้ภายนอกหุงต้มภายนอกหุงต้มเองถ้าพิกษุฉันอาหารนั้นต้องอาบัดทุกกฎตัวเดียวภิกษุทั้งหลายถ้าเก็บอาหารไว้ภายนอกหุงต้มภายนอกคนอื่นหุงต้มให้ถ้าภิกษุ ฉันอาหารนั้นไม่ต้องอาบัด